สมชายขี่จักรยานกลับมาถึงวัดเมื่อเวลาประมาณสามทุ่มเห็นรถเบนซ์สีดำคันหนึ่งจอดอยู่ที่ลานจอดรถด้านหลังของกุติคิดว่าคงจะต้องมีแขกมาหาท่านพระครูอาจเป็นสามคนที่กําลังเดินเห็นหลังวายๆอยู่ข้างหน้านั่นเขาจะต้องไปให้ถึงกุติก่อนเพื่อจะบอกพวกเขาว่าหมดเวลารับแขกแล้ว วันธรรมดาท่านพระครูจะลงรับแขกเวลาเดียวคือตั้งแต่14นาฬิกาถึง18นาฬิกายกเว้นวันพระจึงจะลงสองครั้งตามที่นายขุนทองจัดตารางให้ป่านนี้เจ้าหนุ่มวัย21คนนั้นคงจะหลับไปนานแล้วเพราะเป็นคนนอนแต่หัวค่ำสิท์ก้นกุตินำจักรยานเข้าไปเก็บในโรงรถเมื่อกลับออกมา ก็เห็นชายวัยกลางคนกับสตรีวรัยหกสิเศษช่วยกันประคองบุรุษสูงอายุเข้ามานั่งบุรุษนั้นสวมแว่นตาดำอายุคงอยู่ในราวเจ็ดสิบเศษเข้ามานั่งแล้วก็ยังไม่ยอมถอดแว่นตาดำออกเขาจึงเข้าไปถามว่าลุงมาพบหลวงพ่อหรือครับอุย๊ยตายสตรีวรัยหกสิเศษอุทานเสียงสูง แล้วบอกบุรุษที่ใส่แว่นตาดำว่าท่านคะเขาเรียกท่านว่าลุงเนคค่ะได้ยินหรือเปล่าคะคนถูกเรียกว่าลุงรู้สึกว่าอัดตาวิ่งขึ้นสูงจนหากใช้ประลอดวัดก็คงไม่ต่ำกว่าจุดเดือดจึงพูดโกรธว่าเขาคงไม่รู้มั้งว่าพี่เป็นใครคุณหญิงช่วยบอกเขาเอาบุญหน่อยสิเขาเรียกสตรีผู้นั้นว่าคุณหญิง ให้ตาเอาบอกดีกว่าค่ะแต่เอบอกพ่อคนนี้สิว่าอ่ากับคุณพ่อเธอเป็นใครมาจากไหนหล่อนหันไปพูดกับชายวัยกลางคนด้วยท่าทางยิ่งๆิงนายเอจึงบอกกับลูกศิษย์วัดว่าน้องชายนี่คือท่านรัฐมนตรีปลดเป็นคุณพ่อของผมแล้วสตรีผู้นี้คือคุณหญิงอ่อนอุสาน้องสาวคุณพ่อและเป็นพัญญาของท่านรัฐมนตรีอัครเดชหวังว่า น้องชายคงเคยได้ยินชื่อนะท่านเคยเป็นรัฐมนตรีสมัยที่แล้วนายสมชายแอบโต้ในใจว่าอย่าว่าแต่รัฐมนตรีสมัยที่แล้วเลยถึงรัฐมนตรีสมัยนี้ผมก็ไม่รู้จักใครสักคนแต่ปากเขาพูดว่าหรือครับแล้วคุณพี่ผู้ชายเป็นรัฐมนตรีด้วยหรือเปล่าครับผมจะได้ใช้คําพูดให้ถูกกาละเทศะและบุคคลเขาตั้งใจประชด หากหนุ่มใหญ่วัยสี่สิบเศษกลับตอบว่าตอนนี้ยังไม่ได้เป็นคิดว่าจะขึ้นสมัยหน้าคุณพ่อผมกรีทางไว้แล้วคนตอบค่อนข้างมั่นใจถ้าอย่างนั้นท่านก็เป็นว่าที่รัฐมนตรีใช่ไหมครับก็คงอย่างนั้นทีนี้กระผมขอเรียนถามท่านรัฐมนตรีและคุณหญิงว่าท่านจะมาพบหลวงพ่อใช่ไหมครับนายสมชาย จำต้องเล่นบทใหม่เพื่อให้ถูกใจคนดูถูกใจในที่นี้ก็คือถูกกับกิเลสของพวกเขาท่านพระครูเคยสอนไว้ว่าการที่จะผูกมิตรกับคนนั้นจะต้องเอาถูกใจนำหน้าเสียก่อนแล้วจึงค่อยตามด้วยถูกต้องแหมพ่อหนุน่มนี่น่ารักจริงๆพูดจามีสัมมาคาระวะคุณหญิงออกปากชม ทั้งที่ว่าไปยกยกน้องชายท่านพระครูอยู่หรือเปล่าว่าที่รัฐมนตรีถามอยู่ขอรับงั้นก็ขึ้นไปเรียนท่านด้วยว่าท่านรัฐมนตรีมาขอพบนายเอออกคำสั่งพอดีกับนายขุนทองลงมาจากข้างบนครั้นเห็นนายสมชายก็ต่อว่าทัานทีกลับแล้วเหรอนึกว่าจะนอนบ้านสาวเสียอีก คนอะไรหายไปตั้งแต่เที่ยงคนถูกต่อว่าไม่โต้เถียงหากถามเสียงเรียบว่ายังไม่นอนอีกหรือนึกว่าหลับไปซะแล้วหลวงพ่อกําลังทําอะไรอยู่นะ่ะนายขุนทองไม่ตอบหากหันไปพูดกับอาคันตุกะทั้งสามว่ า, ามาหอหลวงพ่อหรือฮอท่านเพิ่งขึ้นไปเมื่อตอนสองทุ่มเองวันนี้รับแขกเกินเวลาไปตั้งเกือบสองชั่วโมงพรุ่งนี้เช้าค่อยมาใหม่แล้วกันนะฮอ อารมณ์ที่กำลังจะดีขึ้นของคุณหญิงมีอันต้องบูดอีกครั้งเมื่อฟังถ้อยคำของเจ้าหนุ่มหน้าหวานหล่อนแหวะใส่ว่านี่เธอจะพูดจดจา ก, ก็าดูคนมั่งรู้ไหมว่าฉันเป็นใครมาจากไหนไม่รู้เหรอแต่ไม่ว่าคุณจะเป็นใครมาจากไหนหนูก็ไม่สามารถจะให้คุณพบหลงลุงได้กฎก็ต้องเป็นกฎหรอหนุ่มวัยยี่สิบเอ็ดเถียง พร้อมกับแสดงตัวว่าเป็นหลานด้วยการเรียกท่านพระครูว่าหลงลุ ง, ลงโอหังแก่นี่โอหังมากนอกจากโอหังแล้วยังพูดจาไม่มีสำมาฆะรวะดัดจริตดีดดิ้นไม่มีใครเกินดีที่นายขุนทองไม่ใช่คนมักโกรธหากเป็นกระเทยคนอื่นก็คงปรีเขาตบคุณหญิงเขาให้แล้วเพราะผู้ชายที่มีจิตใจเป็นผู้หญิงนั้นมักเป็นคนเจ้าโทสะ และยับยั้งสติอารมณ์ไม่ได้คุณหญิงหันไปบอกนายสมชายว่านี่เธอบอกเจ้ากระเธอนี่ทีสิว่าฉันเป็นใครมาจากไหนนายสมชายจึงต้องบอกนายขุนทองว่าขุนทองนี่ท่านรัฐมนตรีกับคุณหญิงมาขอพบหลวงพ่อนะ่ะแต่กระผมไม่ทราบว่าท่านมาจากไหนขอรับประโยคหลังเขาหันไปพูดกับคุณหญิง แม่เธอนี่ไม่มีคอมมอนเซนส์เส้นเลยเป็นรัฐมนตรีก็มาจากกรุงเทพนีสิยะคุณหญิงพานกับนายสมชายเพราะโกรธนายขุนทองจะเป็นใครมาจากไหนหนูไม่สนทั้งนั้นกฎก็ต้องเป็นกฎหนูจะไม่ยอมให้ใครเอาอำนาจราชศัก์มาทำให้เสียความยุติธรมรมหรอกหนุม่มวัยยี่สิบเอ็ดยืนกลาน แต่กฎมันก็มีข้อยกเว้นนักคุณทองทำไมเธอไม่ดูเยี่ยงอย่างหลวงพ่อละ่ะเห็นไม่ว่าบางเรื่องท่านก็โอนอ่อนผ่อนปรนให้ไม่ไดเอาหัวชนฝาไปเสีทุกเรื่องเหมือนที่เธอทำอยู่หรอกลูกศิษย์วัดเตือนด้วยความหวังดีแต่กลับถูกแวดใส่ว่าเติมใจถ้าพี่เห็นว่าหนูไม่ดีหนูก็จะไปนอนละ่ะแล้วถ้าหลวงลุงดุก็อย่าหาว่านูไม่เตือนก็แล้วกัน ว่าแล้วก็เดินฉับๆเข้าห้องไปคุณหญิงพูดตามหลังว่าดูเอาเธอท่าทางกระวัดกระ ฟ, ฟีตดน่าเกลียดน่าเกลียดจริงทำไมท่านพระครูถึงให้คนพันนี้มาอยู่ในวัดนะนายสมชายไม่ออกความเห็นเขาพูดกับคนทั้งสามว่ากระผมต้องขอโทษแทนเพื่อนด้วยนะขอรับแกเป็นคนอย่างนี้เองแต่ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครข้อนี้กระผมขอรับประกัน ไม่มีอะไรหรอกน้องชายคุณหญิงอาของผมท่านก็พูดไปอย่างนั้นเองจริงๆแล้วท่านเป็นคนใจดีมีเมตตาว่าที่รัฐมนตรี ก, กล่าวแก้แทนผู้เป็นอ่าเมื่อหลานชายพูดเช่นนี้คุณหญิงอ่อนอุตสาหจึงจำต้องปิดปากเงียบเพราะหากพูดไปอาจจะทําให้เสียฟอร์มของคุณหญิงก็เป็นได้กระผมจะขึ้นไปกราบเรียนหลวงพ่อก่อนนะัขอรับพูดจบ ก็หายขึ้นไปข้างบนหลวงพ่อครับรัฐมนตรีกับคุณหญิงมาขอพบหลวงพ่อครับเขารายงานหลังจากทำความเคารพด้วยการกราบสามครั้งท่านพระครูรู้ตั้งแต่รถเบนสีดำวิ่งเข้าประตูวัดมาโนนแล้วท่านพูดกับลูกศิษย์ก้นกุฏิว่าเขากํหลังร้อนนะสมชายร้อนมากทีเดียวผมเปิดพัดลมให้แล้วครับ คงไม่ร้อนเท่าไรนายสมชายว่าฉันไม่ได้หมายความถึงความร้อนภายนอกนะแต่หมายถึงร้อนภายในคนทั้งสามนั่นถูกไฟกิเลสแผดเผาจนร้อนรุ่มกลุ่มสวงหวังจะมาให้ฉันช่วยดับแล้วหลวงพ่อจะช่วยเขาได้ไหมครับช่วยไม่ได้หรอกสมชายเอ้ยฉันน่ะ อยากจะช่วยทุกคนที่มาหาเพราะคนที่มาหาฉันล้วนแต่แบกทุกมากันทั้งนั้นอย่างที่พระบูเหียวแอบตั้งสมญาว่าพวกเอาปัญหามาให้พระนั่นแหละแต่ถ้าเขาไม่มีทุกขเขาก็ไม่มาหาหลวงพ่อหรอกครับนายสมชายแย้งอย่างสุภาพและข้อโต้แย้งของเขาก็จริงเกือบร้อยเปอร์เซ็นงั้นสิ คนสมัยนี้เขาจะนึกถึงพระก็ตอนมีทุกนั่นแหละตอนมีอำนาจวาสนาก็หลงมัวเมากกอกำทาชั่วโดยไม่กลัวบาปกลัวกรรมพอกรรมชั่วมาให้พ้นทีนี้ก็จะนึกถึงพระนึกถึงศาสนาเธอรู้ไหมคนที่อายุมากที่สุดน่ะตาบอด เพราะสั่งสมอกุกสงคกรรมไว้มากมีเงินเป็น ร, ร้อยร้อยล้านยังรักษาไม่หายโรคกรรมนั้นไม่มีหมอที่ไหนรักษาได้ข้อนี้ขอให้เธอจำใส่ใจเอาไว้จะได้ไม่ทำชั่วแล้วหลวงพ่อรักษาได้ไหมครับฉันไม่ใช่หมอก็ขนาดหมอเขายังรักษาไม่ได้ แล้วฉันเป็นผู้วิเศษมาจากไหนละ่ะเธอนี่พูดแปลกๆเอาละ่ะเธอไปบอกให้เขารอสักประเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะลงไปท่านออกคำสั่งให้เขาขึ้นมาข้างบนไม่ดีกว่าหรือครับเพื่อมีใครมาอีกเดี๋ยวหลวงพ่อก็ไม่ได้พักผ่อนกันพอดีพูดอย่างเป็นห่วงไม่สำคัญหรอกเรื่องพักผ่อนนั้นไม่สำคัญสาหรับ เลยเพียงแต่ห่วงว่าจะเขียนหนังสือไม่เสร็จตามกําหนดเท่านั้นเองกําหนดอะไรครับลูกศิษย์ไม่เข้าใจกําหนดกฎเกณฑ์ของชีวิตนะสิฉันคิดเอาไว้ว่าจะต้องเขียนและพิมพ์ให้เสร็จก่อนวันที่สิบสีตุลาคมสองพันห้ารอยยี่สิบ ท่านตั้งใจจะให้หนังสือเล่มนี้เป็นตัวแทนของท่านผู้ที่ไม่เข้าใจเรื่องการปฏิบัติสามารถศึกษาได้จากหนังสือที่ท่านเขียนไว้ก็ว่าจะบอกให้ในายสมชายรู้เมื่อเวลานั้นใกล้เข้ามานอกจากพระโบเฮียแล้วยังไม่มีผู้ใดรู้เรื่องที่ท่านจะประสบอุบัติเหตุรถควา่าคอหักในวันที่14ตุลาทำไมต้องเป็นอย่างนั้นล่ะครับลูกศิษย์วัดไม่เข้าใจ อย่าเพิ่งซักถามเอาไว้ถึงเวลาแล้วฉันจะบอกเองลงไปได้แล้วก็ปิดประตูกุฏิซะให้หมดจะได้ไม่มีใครมารบกวนนายสมชายกราบสามครั้งแล้วจึงลงมาบอกคนทั้งสามว่าเดี๋ยวท่านจะลงมาครับลงเดี๋ยวนี้ไม่ได้หรือแหมเรื่องมากจริงเป็นพระเป็นเจ้าไม่น่าจะยกเจ้าอย่าง คุณหญิงพูดฉอดเพราะยังอารมณ์ค้างกับเรื่องนายคุณทองคุณหญิงใจเย็นๆนะว่าพระวาจาบาปกรรมรู้ไหมอดีตรัฐมนตรีเตือนน้องสาวฟังหล่อนพลาดมานานเลยต้องเบลกๆไว้เสบ้างก็เหมือนจริงนี่คะท่านคนเป็นคุณหญิงเถียงพี่ชายและบ่นกระปอดกระแปดว่านี่ก็ตั้งสามทุ่กว่าเข้าไปแล้ว กว่าจะถึงบ้านมีสองยามสามยามหรอกหรือถึงเมื่อไรก็ช่างเถอะขอให้มันถึงก็แล้วกันคุณหญิงพูดราวกับว่าไม่เคยกลับบ้านดึกๆนั้นแหละจำไม่ได้แล้วหรือสมัยที่คุณอัครเดชยังอยู่นะ่ะคุณหญิงนั่งโจบให้ตั้งแต่หัวค่ำยันรุ่งสางไม่เห็นบ่นเลยสักคำแถมบางวันยังไปเต้นรากับไอ้หนุ่มกลับบ้านตีสามตีสี่โน่นที่มาวัดดึกหน่อยทาบน่น อดีตรัฐมนตรีว่าน้องสาวสมัยที่สามียังมีชีวิตคุณหญิงหลงระเริงกับอำนาจวาสนาและทำตัวซาจนคนเป็นพี่ชายแท้ๆก็ยังหมั่นไส้ถูกว่าเช่นนั้นคุณหญิงก็มีอารมณ์จึงแหวะใส่พี่ชายว่าแล้วท่านดีกว่าดิฉันนักหรือคะท่านถักหลังได้ไม่กระทั่งเพื่อนสนิทท่านมีเมียน้อยอายุคราวลูกคราวหลานไปที่ไหนก็มีเมียที่นั่น จนคุณหญิงตรอมใจตายเพียงแค่นี้ท่านก็ไม่ได้ดีไปกว่าดิฉันแล้วล่ะค่ะคุณหญิงพูด ก, กโกรธแต่คนที่กโกรธมากกว่าคือรัฐมนตรีเขาด่านน้องสาวอย่างไม่ไว้หน้าว่ายายอ่อนแกมันช่วช้าสารเลวไม่มีที่เปรียบถึงฉันจะเป็นพี่ชายแท้ๆของแกฉันก็ไม่เข้าข้างแกนึกว่าฉันไม่รู้ความเลวราของแกหรือไงจะบอกให้ไหม ไอหนุ่มที่มันนอนกับแกนะ่ะชื่ออะไรบ้างแกจำชื่อจำหน้ามันได้หมดทุกคนหรือเปล่าแล้วที่เจ้าอัครเดชเป็นอมพระ ก, ก่อนตายนะ่ะเพราะมันเครียดที่เมียมันมีชู้ใช่ไหมผู้ชายที่เมียมีชู้นะ่ะเป็นโรคเครียดกันทุกคนแหละถึงบางคนจะไปมีเมียใหม่แต่ความเครียดก็ยังไม่หายอารมณ์วิตปริจผิดมนุษย์มนาเข้ากับใครไม่ค่อยจะได้อดีตรัฐมนตรีร่า ย, ยาวเพราะอัดอั้นตันใจมานาน ร้อนถึงนายเอหรือดอกเตอร์เอกสิทธ์ต้องห้ามทับคุณพ่อครับคุณหญิงอาครับผมขอร้องเถอะอนี่ในวัดนะครับไงไงก็าอายลูกศิษย์วัดบ้างเขาหันไปทางนายสมชายซึ่งกำลังชงกาแฟร้อนๆมาเลี้ยงแขกส่วนนายขุนทองหลับปุ๋ยไปแล้วองค์อายมันทำไมกะอีกแค่เด็กวัดคุณหญิงพูดผ่านา น, นายสมชายฟังแล้วก็ให้นึกโปลงสังเวช พวกผู้ลากมากดีเขาช่างไม่มีการสงบสติอารมณ์กันเสบ้างเลยนึกจะพูดจะว่าใครที่ไหนเมื่อไหร่ก็ว่ากันตามอำเภอใจไม่มีบรญยะบัญญังิหน่าอานาถนะักรู้สึกโล่งใจเมื่อท่านพระครูเปิดประตูออกมาคู่กรณีหยุดวิวาทกันโดยปริยายเมื่อท่านนั่งที่อาสนะแล้วด ok ็อกเตอร์เอกสิทธิ์จึงกระซิบให้บิดาทาความเคารพคนทั้งสามกราบท่านพระครู แล้วคุณหญิงอ่อนอุสาก็ร้องไห้กระสิกกระสิกเจริ่พรท่านรัฐมนตรีและคุณหญิงที่นับถือยิ่งอาตมภาพในานามของคณะสงฆ์วัดป่ามะม่วงขอต้อนรับท่านรัฐมนตรีและคณะด้วยความเต็มใจท่านใช้คำพูดที่ทำให้คนฟังรู้สึกว่าถูกใจ รู้ว่าเขาชอบให้ยกย่องก็ต้องยกย่องเขาท่านเป็นคนไม่ขวางโลกขณะเดียวกันก็ไม่ยอมไหลไปกับโลกเพราะชาวโลกนั้นมักไหลไปตามกระแสของกิเลสตัณหาส่วนท่านเป็นสมณะจะเป็นอย่างชาวโลกนั้นหาควรไม่คุณหญิงร้องไห้มีอะไรไม่สบายใจหรืออาตา ม, มา พอจะช่วยได้บ้างไหมน้ําเสียงที่เปี่ยมด้วยเมตตานั้นทําให้คุณหญิงร้องไห้หนักขึ้นเธอพูดด้วยเสียงปนสะอื้นว่าดิฉันมีทุกข์หนักค่ะท่านพระครูพอหมดอํานาจวาสนาก็ถูกคนเขเยียบย่ําพี่น้องคลานตามกันมาแท้ๆก็ยังดูถูกดูแคลนลูกเต้าก็เอาเป็นที่พึ่งไม่ได้มีแต่หาเรื่องทุกเรื่องเดือดร้อนมาให้ คุณหญิงพนานาทั้งน้ำหูน้ำตาอดีตรัฐมนตรีรู้สึกคันปากยิบยิบเมื่อถูกน้องสาวพูดแขกครั้นจะโตอตอบออกไปก็จะกลายเป็นว่ามาทะเลาะกันต่อหน้าพระสงฆ์องค์เจ้าจึงสู้นิ่งเอาไว้แล้วคุณหญิงเคยสงสัยหรือเปล่าว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นสงสัยค่ะสงสัยมากๆแล้วก็ไม่เข้าใจเลยว่า ทำไมชะตาชีวิตของดิฉันจึงได้มากลับตลบตัดเช่นนี้ดิฉันทำกรรมอะไรไว้ข้าท่านเรื่องนี้คุณหญิงต้องถามตัวเองเพราะคนที่จะรู้ดีที่สุดก็คือคุณหญิงที่อาตมาพูดมานี่ถูกหรือเปล่าคุณหญิงอ่อนอุสาใช้ผ้าเช็ดหน้าซับน้ำตาจนแห้งแล้วตอบว่าถูกค่ะ ถ้าอย่างนั้นคุณหญิงก็ลองทบทวนดูแล้วกันว่าทำกรรมอะไรไว้บ้างคุณหญิงคิดว่าการสารภาพบาปจะทำให้หมดบาปจึงสารภาพเป็นบางเรื่องและปกปิดบางเรื่องเอาไว้ท่านพระครูนั่งฟังด้วยอาการสงบแต่ก่อนที่ฉันไม่เชื่อว่าบาปกรรมนั้นมีจริงจึงหลงระเริงอยู่กับยศและอำนาจจนเป็นเหตุให้ก่อกรรมทาชั่วไว้มากมาย นี่ถ้าไม่ประสบกับความทุกข์ดิฉันก็คงยังไม่เชื่อเขาพูดกันว่ากรรมสมัยนี้มันติดจรวดจึงให้ผลรวดเร็วโดยไม่ต้องรอให้ถึงชาติหน้าท่านพระครูเชื่อหรือเปล่าคะว่าแต่ก่อนนี้ดิฉันร่ำรวยมากขนาดโต๊ะกินข้าวยังฝังมุกตอนนั้นคุณอัครเดชสามีดิฉันเขาเป็นรัฐมนตรีวันๆมีแต่คนเอาเงินมาให้เราสองคนก็รับไม่อั้นทานาบ้านคุณอัครเดชรับ แต่หลังบ้านดิฉันเป็นคนรับรู้สึกว่าเงินทองไหลมาเทมาจนนับไม่หวาดไม่ไหวดิฉันก็ฟุ่งเฟือยฟุ้งเฟ้อเพราะเงินได้มาง่ายๆเสื้อผ้าแต่ละชิ้นที่ดิฉันสวมใส่ก็ลุ้นราคาแพงชุดหนึ่งหนึ่งราคามากกว่าเงินเดือนข้าราชการชั้นเอกเสอีกลูกๆ ก, ก็ขับรถเก๋งคนละคันแล้วก็ฟุ้งเฟ้อตามพ่อแม่แต่พอคุณอัครเดชเป็นอมพระทำงานไม่ได้เราก็ขาดรายได้ เพราะไม่มีใครจะเอาเงินเอาทองมาให้เหมือนแต่ก่อนดิฉันและลูกๆ ก, ก็อยู่ในสภาพจมไม่ลงทรัพย์สินเงินทองที่ได้มาในทางมิชอบก็ร้อยหรอลงไปทุกวันพอคุณอัครเดชเสียชีวิตดิฉันก็ต้องช้ำใจหนักขึ้นเพราะลูกๆทะเลาะเบาแวงแย่งชิงสมบัติกันต่อหน้าต่อตา ด, ดิฉันตู้ฝังมุกโต๊ะฝังมุ ก, มกเขาก็แย่งกันขนไปขายทอตลาดไม่เกรงใจดิฉันซึ่งเป็นแม่ คนเล่าไม่ได้บอกความจริงแก่ท่านพระครูว่าที่ลูกๆเขาไม่เกรงใจเพราะเขากลัวคนเป็นแม่จะเอาเงินทองไปบำเรอพวกหนุ่มหนุ่มที่เป็นคู่นอนแล้วคุณหญิงไปทําอะไรให้ลูกๆเขาไม่เกรงใจหรือเปล่าคําถามของท่านเจ้าของกุฏิแทงใจดําของคนเป็นคนหญิงเธอกําลังคิดว่าจะตอบหรือไม่ตอบดีท่านพระครูรู้ว่า จะทำให้เธออึดอัดใจจึงพูดตัดบทว่าเอาละ่ะไม่ต้องตอบอาตมาก็ได้แล้วท่านรัฐมนตรีมีอะไรจะปรึกษากับอาตมาหรือเปล่าประโยคหลังท่านถามอาดีตรัฐมนตรีเรื่องของผมก็ ค, คล้ายๆกับน้องสาวนั่นแหละครับท่านพระครูแต่มีข้อดีข้อเสียต่างกันนิดหน่อย คือน้องสาวผมเขาแย่ตรงฐานะทางการเงินสุดลงและลูกๆ ก, ก็แย่งสมบัติกันแต่สําหรับผมเงินทองยังมีมากมายแต่ตาผมมองไม่เห็นเสแล้วอุตสาหบินไปรักษาถึงเมืองนอกก็ยังไม่หายผมจะมาเรียนถามท่านพระครูว่าท่านพอจะมีทางช่วยผมบ้างไหมช่วยทําให้ตาผมมองเห็นเหมือนแต่ก่อนนะครับแล้วผมจะทําบุญไม่อั้นทีเดียวท่านพระครูตอบทันทีว่า ช่วยไม่ได้หรอกท่านอาตมาช่วยอะไรไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องของกรรมท่านสะสมอากุศลกรรมไว้มากถึงคราวที่มันมาให้ผลท่านก็ต้องรับอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ได้ฟังเช่นนั้นอดีตรัฐมนตรีวรัยเจ็สิบเศษถึงกับนั่งกอดเขาร้องไห้คุณหญิงออนอุสา ห, หยุดร้องไปแล้วก็ต้องมี ก็ต้องมีอันต้องร้องอีกด็ตอร์เอกสิทธ์เองก็ตาแดงแเพราะสมเพศบุคคลทั้งสองหากความรู้สึกที่ว่านี้ก็เป็นไปชั่วประเดี๋ยวประดาวเพราะเมื่อนึกถึงทุระของตนที่จะมาเรียนปรึกษาท่านพระครูแล้วเรื่องของคนอื่นก็มีอันหมดความหมายเขาถามท่านเจ้าของกุฏิว่าหลวงพ่อครับผมรินจบปริญญาเอกจากอเมริกา อยากจะใช้ความรู้มาพัฒนาประเทศผมจะมีโอกาสขึ้นเป็นรัฐมนตรีหรือเปล่าครับคุณพ่อก็กรุยทางไว้ให้แล้วเขาปรึกษาและเรียกท่านพระครูว่าหลุงพ่อเหมือนที่นายสมชายเรียกท่านเจ้าของกุฏิเห็นกฎแห่งกรรมคนเป็นด็อกเตอร์แล้วจึงพูดขึ้นว่าท่านอยากเป็นอย่างที่คุณพ่อเป็นใช่ไหมครับ เขาเข้าใจว่าเป็นรัฐมนตรีแปลว่าท่านอยากประสบเคราะห์กรรมแบบเดียวกับที่ท่านรัฐมนตรีประสบอยู่เป็นอย่างนั้นหรือไม่ครับผมไม่ต้องการเช่นนั้นเขาเรีบปฏิเสธถ้าเช่นนั้นก็เลิกล้มความคิดที่จะเป็นรัฐมนตรีเสียอาตมาขอบิณฑบาตเถิดนะ ท่านอย่าได้ไปยุ่งกับการเมืองเลยเชื่ออาตมาสักครั้งเถอะการเมืองมันไม่ไดีอย่างไรหรือครับหลุงพ่อจึงไม่อยากให้ผมเข้าไปยุ่งเกี่ยวถามเพื่อจะลองภูมิท่านเรื่องนี้ท่านคงทราบดีกว่าอาตมาท่านเป็นถึงด็อกเตอร์ลองไปคิดหาคำตอบเอาเองก็แล้วกันท่านพูดเพียงเท่านี้ ท่านพระครูช่วยรถน้ำมนตัดเวรตัดกรรมให้ดิฉันด้วยเถอค่ะคุณหญิงออนอุตสาพูดขึ้นน้ำมนช่วยตัดเวรตัดกรรมไม่ได้หรอกคุณหญิงแต่ถ้าจะให้รถให้เพื่อเป็นสิริมงคลอาตมาก็จะรถให้ท่านจาเป็นต้องใช้น้ำมนเพื่อให้เขาสบายใจขึ้นเพราะหากจะแนะนำให้เขาสวดมนต์หรือจเจริญกรรมฐาน เขารับไม่ได้กรรมเขาหนักเกินกว่าที่ท่านจะช่วยได้ไหนไหนเขาก็มาขอพึ่งบารมีก็ต้องช่วยเขาไปตามหน้าที่ในเมื่อเขาไม่สามารถรับของจริงได้ท่านก็ต้องให้ของปลอมแต่ถ้าใครมีอุปนิสัยบารมีพอที่จะรับของจริงได้ท่านก็จะไม่ยอมให้ของปลอมอย่างเด็ดขาด ท่านพระครูรถน้ำมนต์ให้แล้วคนทั้งสามก็ลา ก, กลับนายสมชายเดินตามไปส่งถึงที่จอดรถดเรเอกสิทธิ์ทำหน้าที่เป็นคนขับชายวัยกลางคนเปิดกระเป๋าสตางค์ดึงธนบัตรใบละร้อยใหม่เอี่ยมส่งให้นายสมชายน้องชายขอบใจมากนะเอาไว้ซื้อขนมกินขอบคุณครับขนมที่วัดมีเยอะผมไม่ต้องซื้อหรอกครับ เขาตอบและไม่ยอมรับเงินนั้นด็อเตอร์วัยสี่สิบเศษจึงหยิบขึ้นมาอีกใบหนึ่งโดยคิดว่าร้อยเดียวมันอาจจะน้อยไปเงินออองเอาไปสงใบเอาครั้นนายสมชายปฏิเสธอีกคนเป็นด็อเตอร์จึงเก็บมันเข้ากระเป๋าดังเดิมเป็นเรื่องประหลาดที่สุดเท่าที่เขาเคยพบคนที่ปฏิเสธเงินยังมีอยู่ในโลก